เรื่องทําให้ล้มสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาภาตภิกษุทั้งหลายจึงช่วยกันทําให้ท่านล้มลงท่านถึงแก่มรณภาคภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตรปาราชีหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไร พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จากฆ่าไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่51สมัยนั้นภิกษุร่วมหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงช่วยกันทำให้ท่านล้มลงท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือห no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 ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัตรปาราชิกแต่ต้องอาบัตรทุนละใจวงเล็บเรื่องที่53า